เอาพร้อมแล้วนั่งกูบันลังตั้งกายตรงนั่งกูบันลังตั้งกายตรง แโยมทำตามที่อรตมาบอกมันจะสะบบนะกายมันจะสะบบก่อนน an <ong> ั่งกูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าอย่าให้สติไปอยู่อื่น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 อันนี้เรียกว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเราจะผูกจิตของเราไว้กับลมหายใจที่ไหลออกไว้กับลมหายใจที่ไหลเข้าเพราะนั้นคนที่ไม่เคยมาให้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษในสองสามนาทีนี้ การเจริญสติด้วยการรู้ลมหายใจนั้นมีสิ่งสำคัญสามประการ 1. ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ 2. จิตที่รู้ลมหายใจและ 3. ที่ตั้งของจิตรู้จิตรู้จะตั้งอยู่ในที่ตั้งแล้วคอยรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า ั้งไอ้ที่ตั้งของจิตรู้ของทุกคนอยู่ที่ช่องจมูกแต่ว่าของเราจะอยู่ช่องจมูกก็จริงแต่มันอยู่จุดไหนที่เรารู้สึกได้ดีเราก็ต้องหาให้เจอวิธีหาที่ตั้งของจิตรู้ก็คือหายใจเข้ายาวๆให้สุดหยุดการหายใจไว้แล้วตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆ พร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นหายใจเข้า่ายสุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วหายใจออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นมันคอยสังเกตว่าเรารู้สึกกับลมหายใจของเราตรงไหนได้ตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตรู้ของเราเมื่อเราได้ที่ตั้งจิตรู้แล้ว เราก็คว้าวจ้องดูรู้ลมหายใจอยู่ตรงนั้นลมหายใจจะเคลื่อนออกลมหายใจจะเคลื่อนเข้าก็เคลื่อนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจประคองลมหายใจเกินจากความเป็นกลางกลางให้ยาวไปหน่อยหนึ่งด้วยการลมหายใจเข้ายาวๆไว้ก่อน แล้วหยุดลมหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกณนะที่ตั้งของจิตรู้นั้นแล้วก็ปล่อยลมหายใจอกไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกตั้งแต่เริ่มต้นการไหลของลมหายใจ <ST AR> เมื่อลมหายใจสุดแล้ว <ST AR> ก็รู้สึกกับลมหายใจเข้า ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลมไหลเข้าขณะที่ลมกําลังไหลและที่สุดของลมหายใจที่ไหลเข้ารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่เริ่มต้นที่ลมหายใจเริ่มเคลื่อนไหลออกมา ช, าชา้าๆสบายๆไม่เกรงไม่เพ่ง แค่รู้ลมที่ไหลออกรู้ลมที่ไหลเข้าปลดปล่อยเงื่อนไขร้ายความกดดันใดๆทั้งสิ้นให้ใจออกรู้เ้าดูลมที่ไหลออกมาลม ห, หลายใจไหลเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ไม่มีคำอธิบายว่ารู้แบบไหนแค่รู้เท่านั้นพอลมไหลออกมาก็แค่รู้เท่านั้นถ้าจะอธิบายได้ให้ลึกไปกว่านั้นหน่อยยากไปกว่านั้นหน่อยหรือง่ายงายไปกว่านั้นหน่อยก็คือแค่รู้สึกกับลมหายใจนั้น อาจจะมีการกําหนดเบาๆเพื่อประคองลมหายใจในระดับในระดับที่เกิดความสบายๆของตัวเราเองอาจจะมีการบังคับประคองลมหายใจไหลเข้าบังคับประคองลมหายใจไหลออกแต่จิตเราจะต้องรู้การไหลของการเคลื่อนของลมทุกขณะ ท่นแรกๆมันจึงเป็นลมหายใจยาวพระเจ้าถึงบอกว่าทีคังวางอัตชั่นโตดีคังอัตถามีตีประชานาติเพราะมันมีการบังคับกําหนดประคองลมหายใจอยู่ในระยะแรกมันจึงยาวทําไปเรื่อยเมื่อจิตก่อกับลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ชัดเจนขึ้นจิตปราณีตขึ้นลมหายใจของเราจะค่อยๆสั้นลง พอลมหายใจปกติค่อยๆสั้นลงเราก็รู้ลมหายใจที่ไหลไหลเข้าสั้นรู้ลมหายใจที่ไหลออกสั้นตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงวางไว้เป็นสองชั้นชั้นแรกเป็นลมหายใจยาวชั้นที่สองเป็นลมหายใจสั้นไอชั้นแรกที่ว่าหายใจยาวเนี่ยไม่ใช่เราไปบังคับแต่ว่าในการรู้ลมหายใจครั้งแรก มันเป็นการรู้ลมหายใจแบบประคองกำหนดประคองลมหายใจมันจึงยาวนั้นเราก็กำหนดประคองไปวันนี้เราไม่เอาอะไรมากอเอาแค่กำหนดประคองลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นนี่แหละตามความเป็นจริงเข้าและออกสองสองชั้นนี้ สองชั้นนี้เรียกว่าแปดขั้นคือลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวนี่ขั้นที่หนึ่งลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นนี่ ขั้นที่สองตรงนี้เป็นสี่ขั้นบางครั้งเราประคองลมหายใจ จิตที่รู้ลมหายใจมันไปรู้ตัวเขาด้วยรู้สึกว่ามันรู้ตัวด้วยก็ไม่ต้องไปสงสัยมันรู้ตัวไม่ผิดอยู่แล้วแต่ขอให้รู้ลมหายใจเป็นหลักไว้รู้ลมหายใจเป็นหลักถ้ามันเกิดความเคลื่อนความห่วงเกิดขึ้นให้รู้นะนั่นคืออากุศลวิตกปรากฏด้วยอํานาจของนิวรณ์วิธีที่เป็นปัจจุบันธันดวนในการต่อสู้กับถีนมิทะคือคือยืดตัวให้ตรงให้สะเทือนไปทั้งร่างยืดตัวให้ตรง ความห่วงก็จะถูกสลัดออกไปด้วยความรู้ตัวและเราก็ไปรู้ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ต้องระวังลำตัว ใส่ใจลำตัวด้วยยืดให้ตรงถ้าไม่ตรงแป๊บเดียวเราก็จะง่วงแล้วเราก็จะหลับมันจะเคลิ้มง่ายถ้านั่งตัวไม่ตรงหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สภาวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเวทนา เช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันความชาปล่อยให้มันเกิดไปให้มันเกิดไปเลยอย่างยังไงเสียขาเราก็ไม่หักตัวเราก็ไม่ตายมันเป็นไปเถอะแต่ให้เราเอาลมหายใจเป็นหลักไว้ก่อนในระยะแรกนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ วันนี้จะพาอาณ า, าให้พวกเราได้เห็นว่าในความเป็นกรรมฐานของการระลึกไปในกายอันมีลมหายใจเป็นฐานนั้นมันให้ชั้นของอารมณ์กรรมฐานอย่างไร เราจะมีคําตอบในความรู้สึงนี้ด้วยตัวของเราเองที่มันจะบังเกิดผลหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ให้จิตกอกลมหายใจรู้ลมหายใจไว้เป็นฐาน เรารู้กายตั้งกายที่นั่งของตัวเอง <c oughs> กายตั้งกายที่นั่งตั้งแต่เส้นผมอันเป็นเบื้องบนลงมาสู่เบื้องล่างเป็นกายตั้งกายที่ตั้งนั่งนิ่งอยู่นี้ ให้จิตเอ้นมารู้สึกที่กายอย่างนี้เมื่อครบถ้วนแล้วก็ไปอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตรู้ลมหายใจและดูความเป็นจริงในกายในกายของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ ในขณะที่ยมฟังอัตมายมก็รู้ลมหายใจไปด้วยจิตรู้อยู่กับลมหายใจแล้วก็ฟังสิ่งที่อัตมาพูดด้วยร่างกายเรานี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมว่ากันในส่วนที่เป็นธาตุดินที่เป็นกายเมื่อกี้ที่เรารู้กายกายทั้งกายนี้ ก็เป็นกายหนึ่งส่วนที่เป็นธาตาุแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นกายเหมือนกัน <c oughs> เขาเรียกว่ากายในกายเป็นกายเล็กซ้อนอยู่ในกายใหญ่ในกายทั้งกายนี้มีกายอยู่อีกมากมายลมหายใจนี้ก็เป็นกายหนึ่งในระหว่างที่ฟังเราก็ประคองจิตเกาะรู้ลมหายใจไว้ ส่วนที่เป็นธาตุดินมีผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไว้ทีนี้มารู้กายในความเป็นธาตุดินผมให้ไปรู้ที่ผมของตัวเอง ผมของเราเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องหลังเพียงพลายกอต่อเบื้องขวางมีหมวกหูสองข้างเป็นที่สุดให้รู้สึกที่ผมของตนเองต่อไปรู้สึก ขนขนงอกทั่วสับปางกายของตนเองให้จิตวิ่งผูจากนั้นวิ่งไปที่ปลายมือปลายเท้าเพื่อรู้จักเล็บของตนเองสิ่งเป็นดเกล็ด หอกตามปลายนิ้วมือนิ้วหัวไม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทั้งข้างซ้ายข้างขวาทั้งมือและเท้านี่เรียกว่าเล็บจากนั้นไปรู้สึกที่ในปากที่กระดูกคางเบื้องล่างเบื้องบน กระดูกเป็นซีซ่ๆมันหอกอยู่ที่กระดูกคางเบื้องล่างเบื้องบนสำหรับบดเคี้ยวอาหารของเราเองในปากของเราดูอันนี้คือควัน จากนั้นเลื่อนไปรู้สิ่งที่หุ้มอยู่ทั่วตัวสิ่งที่หุ้มอยู่ทั่วตัวของเราที่มีเสื้อผ้าปกปิดอยู่ชั้นนอกสุดของตัวเราที่ไม่มีเสื้อผ้า เรียกว่าหนังหุ้มอยู่ทั่วสัปพางกายอันนี้คือหนังและเราก็ไปที่ลมหายใจของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อรู้หนังแล้วต่อไปเราก็มาดูเนื้อให้เรานิมิตเอาเองตามที่เป็นของเราเองสมมุติเอาก็ได้ สมมติตามความเป็นจริงมีตัวเราเองเป็นฐานนะคำว่าเนื้อก็อยู่ภายใต้หนังของเราอย่าไปดูเนื้อที่อื่นให้ดูตัวตัวเองนะขนาดเนื้อเป็นลิ่มเป็นแร่งเป็นมัดเป็นก้อนอยู่ทั่วทั้งมือทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหัวทั้งเท้า ดูก็ไปจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นเนื้อจากนั้นก็ดูเส้นเอ็นเส้นเอ็นเป็นเส้นเส้นในร่างกายของเราที่มันรัดรึงเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับเนื้อมัดกันเป็นล้ำลําเป็นริมริมรัดรึงกันอยู่ทำให้เราคู่ขาได้คู่แขนได้ก้าวได้เดินได้ แต่ดูความเป็นเส้น ๆ, ๆของเส้นเอ็นที่อยู่ในร่างกายของเราเรารู้สึกอย่างไรก็ได้ที่มันเป็นเส้นๆอยู่ในร่างกายเรียกว่าเส้นเอ็นแต่ให้นึกอยู่ในร่างกายอันนี้ที่ร่างกายอันเป็นของเราจากนั้นก็นึกไปที่กระดูกกระดูกของเราเป็นท่อน กระดูกแขนกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้ากระดูกสันหลังกระดูกก้นกบกระดูกไขปาดากระดูกคกกกกกอต่อและกระโหลกศีรษะทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ ต่อไปดูลึกลงไปในกระดูกด้านในของกระดูกของเราเขาเรียกเยื่อในกระดูกเป็นน้ำเมือกเมือกลิ่มๆิมสีเลือดสีน้ำตาลแก่แก่บ้างสีน้ำตาลอ่อนๆ่อนบ้างเขาเรียกว่าเยื่อในกระดูก จากนั้นก็ดูม้าม ม, ามอยู่ที่ในท้องให้กำหนดนิมิตเอาเองว่าม้ามเป็นอย่างไรแต่มันอยู่ในท้องของเราอยู่ในกายของเรานี้จากนั้นดูหัวใจหัวใจของเราที่เต้นตบ แล้วก็ไปดูตับตับของเราที่เป็นโรงงานเลือดผลิตเลือดจากนั้นไปดูพังผืดพังผือดอยู่ตามที่ต่างๆใต้ผิวหนังตามซอกของกระดูก ทั่วร่างที่เป็นพังผืดขอให้สมมุติกําหนดนิมิตเอาในกายของตนเองนะไม่ผิดนะเอาแบบไหนก็แบบนั้นไปดูก่อนจากนั้นไปดูไตทั้งปีกซ้ายปีกขวาเป็นรงังไต ที่เ้าคอยกำจัดของเสียเป็นเลือดกลั่นออกมาเป็นปัสสาวะเป็นไตของเราในร่างกายของเราจากนั้นก็มาดูปอด ปอดที่เราหายใจเข้าไปที่ออกซิเจนเข้าไปข้างในเป็นถุงเป็นลมเป็นฟองฟองฟูขึ้นเมื่อเราหายใจเข้ายุบลงเมื่อเราหายใจออกปอดของเราจากนั้นมาดูไส์ใหญ่ ไส้ใหญ่ที่ต่อจากหลอดอาหารท่อลงไปเป็นกระเพาะ อ, อาหารนับตั้งแต่กระเพาะ อ, อาหารแล้วก็เป็นลำไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยคือลำไส้เล็ก เรืเรียกว่าลำไส้อ่อนนั่นแหละมันมีอยู่ในท้องของเราเงันดูอาหารอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารที่กําลังบดย่อยนี่เรียกว่าอาหารใหม่อาหารเก่าคือที่เคลื่อนออกมาจากกระเพาะอาหารเข้ามาสู่ลำไส้ลงมาสู่ลำไส้ใหญ่ ทางบางส่วนที่มันไหลออกไปแล้วกับบางส่วนที่ยังคงอยู่ในลาไส้นี่เรียกว่าอาหารเก่าอันนี้เป็นธาตุดินดูอย่างนี้แล้วเราก็มาที่ลมหายใจของเรารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออก รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าคอยสังเกตอย่างหนึ่งณขณะนี้ว่าในขณะที่จิตพักอยู่กับลมหายใจและจิตมารู้กายอื่นๆในกายนี้ขณะที่รู้นั้นมันเกิดความสหบระับขึ้นจะรู้สึกว่ากายโรนิง่งเวทนาตั้งหลายไม่ค่อยได้แทรกซึมออกมา นี่การนึกคิดอย่างนี้เป็นชั้นต้นนะถ้าเราสามารถนึกได้อย่างนี้นึกบ่อยๆนึกบ่อยๆจนเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ลมหายใจเกาะลมหายใจไว้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ทีนี่เราก็มาพิจารณาในกายในกายนอกกายในก็คือของเรากายนอกก็คือของผู้อื่นดูผมผมที่งออขึ้นบนศีรษะของเรากับผมที่หอออยู่บนศีรษะของผู้อื่นไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน ขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นต้นที่เป็นของเรากับที่เป็นของผู้อื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันทีนี้เรามาดูของเราผมขนเล็บควันหนังให้มันลงไปสู่ความเป็นจริงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยโอจิตเกาะลมหายใจไว้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทีนี้เอาจิตรู้ตัวนี้มาดูห้าอันแรกคือผมขนเล็บควันหนังดูตามความเป็นจริงโดยห้าส่วนส่วนที่หนึ่งก็ดูโดยสีส่วนที่สองก็เป็นสันฐาน ส่วนที่สามก็เป็นกลิ่นส่วนที่สี่ก็เป็นที่เกิดส่วนที่ห้าก็เป็นที่อยู่ว่าผมของเรานี้มีสีเป็นอย่างไรเราก็ไปที่สีสษะของเราเองที่เส้นผมของเรานะว่ามีสีเป็นอย่างไร สีของเราเป็นอย่างไรบางเส้นก็ดำบางเส้นก็ขาวบางเส้นโคนขาวปลายดำบางเส้นโคนดำปลายขาวนี่เรียกว่าสีไม่มีความสวยความงามอยู่เลยไม่น่ารักไม่น่าใครเลยอันนี้สีดูสันฐานคือรูปร่างว่าเป็นแบบไหน มันเป็นเส้นๆผมของเราบนหัวนั้นมีหลายเส้นแต ga, them, 哈哈哈่ละเส้นมันอยู่ติดกันมันไม่รู้จักกันตัวเส้นผมเองมันไม่รู้จักว่าข้างๆของมันเป็นอะไรมีแต่เราและจิตเรานั่นแหละที่จะไปกําหนดดูรู้ว่าไปเรื่อยแต่ตัวเส้นผมมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นใครข้างหลังมันเป็นอะไรข้างซ้ายเป็นอะไรข้างขวาเป็นอะไรมันไม่รู้ มันแค่ปรากฏตั้งอยู่ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นมันดูลักษณะดูสันฐานรูปร่างว่ามันเป็นเส้นๆไม่งดไม่งามไม่สวยไม่อะไรเลยดุ ก, กลินเพราะเส้นผมของเราแท้จริงเขามีกลิ่นเป็นอย่างไร กลิ่นที่แท้จริงถ้าเราไม่ไปปรับพรมน้ำหอมไม่ใช้สิ่งหอมๆเข้าไปปรับพรมไว้กลิ่นที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรมันเป็นกลิ่นสาบ ก, กลิ่นสางดูที่เกิดว่าเส้นผมของเราแต่ละเส้นที่มันเกิดอยู่บนสีสาะของเราเนี่ยมันเกิดตรงไหนมันฮอกออกมาจากผนังสีสาก รากของมันเป็นกลมๆเหมือนกับตัวเห่าขวางอยู่ในหนังศีรษะหมกอยู่ในอะไรหมกอยู่ในน้ำเหลืองน้ำเลือดชุ่มแช่อยู่ในนั้นเกลือ ก, กลัวคลุกคล้าวก็ะขายสิ่งสกรปรกโสโครกออกมาตลอดเวลามันจึงทำให้เราต้องสะต้องสาง ถ้าเราไม่สระไม่สางมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นสาบน่าสะอิดสะเอียนมันไม่มีความสวยงามไม่มีความน่ารักไม่มีความน่าใคร่อยู่ตามความเป็นจริงอย่างนั้นไอ้นี่เช่นผมของเราผมของคนเดือนก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า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 เว้นขวามือขว่าเท้าเรียกว่าเส้นขนเราก็พิจารณาดูลักษณะเป็นเส้นๆเหมือนกันสีก็บางที่ก็แดงบางที่ก็ดำที่เกิดมันก็เกิด ขวังอยู่ในผิวหนังของเรามีรากหอกออกมาจากผิวหนังของเราชุ่มแช่อยู่ในน้ำเลือดน้ำเหลืองปุโปโลกิตคายสิ่งสปกปรกโสโครกออกมาเป็นประจำมันก็ได้รับการต้องชำระสะอาสางเหมือนกัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะคายสิ่งโสโปรกโครกออกมาทั่วสัปพางกายนี้เหมือนกันไม่มีอะไรที่น่ารักใคร่น่าพอใจเลยล้วนแต่เป็นปฏิกูลทั้งสิ้นเกิดอยู่ในน้ำเลือดน้าเหลืองอีกเหมือนกันได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำเลือดเหมือนกันผมขนของเราเป็นอย่างไรขนของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นไม่แตกต่างกัน จากนั้นก็เข้าไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ จากนั้นไปดูเล็บของเราสิ่งเป็นเกล็ดเกร็ดหอกตามปลายมือปลายเท้ามีนิ้วหัวไม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทั้งข้างซ้ายข้างขวาดูเป็นเล็บเล็บดูที่เล็บที่ถนัดถนัดเล็บใดเล็ บ, ลบหนึ่งเพราะสิ่งเป็นเกล็ดเกล็ดหอกตามปลายนิ้วมือของเรานิ้วเท้าของเรานี้ดูนิ้วหัวไม่มือที่เป็นเล็บนั้น ว่าโดยสีก็ไม่สวยไม่งามเพราะมันเป็นสีจริงๆมันไม่สวยไม่งามเราจึงต้องเอาสีน้นสีนี่มาแต่งมาแต้มม า, ต ม, มาทามาแต่งมาลงเพื่อให้มันดูว่าสวยงามไอ้สีจริงๆมันไม่สวยไม่งามโดยสันฐานรูปร่างมันก็ไม่ใช่ว่าหน้ารักหน้าใครตรงไหน มันเป็นลักษณะของกระดูกที่หอกออกมาได้วางไว้จนแผ่นเนื้อที่เกิดรากของเขากห็หอกทิมเข้าไปในกระดูกในกระดูกนิ้วมือแช่อยู่ในน้ำเหลืองน้ำเลือดหอกอยู่ตรงนั้นหมัก ม, มมอยู่ตัวสิ่งสกรปรกปฏิกูลคายสิ่งสกรปรกโสโครกออกมา ก็ต้องชำระสาสางต้องตัดถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะดำสกปรกขมุกขมอมไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าใครอยู่ในนั้นนิ้วของเราเป็นอย่างนี้เล็บของเราเป็นอย่างนี้เล็บของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแตกต่าง จากนั้นไปรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จากนั้นมาดูที่ฟันของเรา ยกจิตรู้มาสัมผัสกับควันที่อยู่ในช่องปากเบื้องบนเบื้องล่างลักษณะฟันของเราเป็นกระดูกซี่หอกที่คางเบื้องล่างเบื้องบนใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหารนักขนาดนี้ว่าโดยสีถ้าไปดูใกล้ๆชัดๆ ดู้าไปในกระพุ้งแก้มดูเข้าไปในเหือกดูเข้าไปในช่องปากใกล้ๆเราไม่เห็นความสวยความงามความน่ารักความน่าใคร่ของควันเลยในความเป็นจริงร่าของควันโคนควันหอกออกมาจากกระดูกข้างใน ทิมลงไปในน้ำเลือดน้าเหลืองทิมลงไปในเนื้อเหือกแล้วก็ฝังหมกตัวแช่อยู่ในนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆไม่ดูแลไม่ชำระไม่บ้วนปากไม่ชำระขัดสีก็จะส่งกลิ่นเหม็นน่าสะอิดสะเอียนออกมาเพราะเขาหมกแช่ตัวอยู่กับน้ำเหลืองน้ำเลือดเหมือนกัน ไม่มีอะไรที่สวยงามหรือน่ารักใครหน้าพอใจเลยเป็นสิ่งสขป ร, รกปฏิกูลควันของเราเป็นอย่างไรควันของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรแตกต่างจากนั้นก็ไปอยู่ที่ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จากนั้นก็มาดูที่หนังของเราที่เสื้อผ้าหุ้มบอไว้เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องตางเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงไป พุ้มอยู่ทั่วตัวอันนี้แนหะเป็นหนังบางๆข้างนอกก็เรียกว่าหนังกำพร้าบางไม่ถึงหนึ่งมิลลมลึกเข้าไปก็เจอน้ำเหลืองมีน้ำเลือดสิ่งที่อยู่กับหนังนี้ก็น้ำเหลืองน้ำเลือดของเราสรุขปกปตีกุลตลอดเวลา แล้วก็คายสิ่งสกรปรกออกมาให้เห็นตามภายนอกที่เราเรียกว่าขี้ใครน้ำเหือน้ำใครส ก, ร ป, กรปรกโฉโรคปฏิกูลต้องชำระชะสางชำระชะล้างอยู่ตลอดเวลาไม่มีหนังส่วนไหนที่น่ารักใครน่าพอใจ จากนั้นก็ไปอยู่ที่ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ จากนั้นเราก็เข้าไปที่เนื้อของเราลึกภายใต้ผิวหนังนี้มีลิ่มเนื้อเป็นก้อนมั่งเป็นลิ่มมั่งเราสมมติรู้แต่ให้รู้ภายในตัวของเราเองอยู่ตามใต้ผิวหนังจุดใดจุดหนึ่งมันฉาบทาด้วยเลือด แดงๆอยู่ข้างในเราเรียกว่ากล่ามเนื้อมัง่งก้อนเนื้อมังเนื้อลำมัง่งเนื้อโหลนี้ก็เป็นธาตุดินไม่มีคำว่าสวยงามน่ารักใคร่พอใจไม่มีอยู่ในนี้มีแต่สกรปรกโฉโครก จากนั้นเราก็ไปดูเส้นเอ็นของเราเส้นเอ็นคือสิ่งเป็นเส้นเส้นทั่วสพพางกายที่คอยรัดดึงกระดูกและเนื้อต่างๆให้มันคงอยู่ใหญ่บ้างเล็กบ้างมองให้เห็นเป็นเส้นเส้นเนื้อมันเป็นขาวขาวมั่งเขียวเขียวมั่งติดอยู่กับพังผืดมั่งมีสีเลือดฉาบทาอยู่มั่ง แขงแขงนียวเนียวไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามอยู่ที่เช่นเอน็นนี้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้า ร, าารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เมื่อเราพิจารณาไปอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากายในกายทั้งหมดนี้ มันไม่มีอะไรที่สวยงามน่ารักใคร่น่าพอใจอยู่เลยเรากลับต้องมาคอยดูแลถนุถนอมรักษาเพื่อให้มันคงอยู่แล้มันพร่องอยู่ตลอดเวลาเราต้องเติมแต่งประครับประคองมันไว้ แล้วก็ยกจิตมาที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่เรียกว่าท่องกายคตาสติจะนั้นกหยับ ปลายนิ้วมือข้างขวาพร้อมด้วยจิตที่รู้สึกเคลื่อนมือขวาขึ้นแล้วจิตได้ ว, วางไว้ที่เข่าข้างขวายกจิตมารู้สึกที่ปลายนิ้วข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายแล้วยกจิตกลับมาที่ใบหน้าแล้วก็ประหุกหน้านิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิ เปลี่ยนท่านั่งได้